ดังความแห่งพุทธพจน์ในมหาสติปฐานสูตรว่าภิกษุทั้งหลายทางนี้เป็นมรกคาเอกเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายเพื่อข้ามพ้นโสกและปริเทวะเพื่อความอสศดรแห่งทุกข์และโทมานัตเพื่อบรรุโลกุตระมักเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งนิพพานนี้คือสติปัฐานสี่ การเจริญสติปัฏฐานนี้เป็นวิธีปฏิบัติธรรมที่นิยมกันมากและยกย่องนับถือกันอย่างสูงถือว่ามีพร้อมทั้งสมถะและวิปัสสนาในตัวผู้ปฏิบัติอาจจะเจริญสมถะจนได้ฌานอย่างที่จะกล่าวถึงในเรื่องสัมมาสมาธิอันเป็นองค์มรรคข้อที่แปก่อนแล้วจึงเจริญวิปัสสนาตามแนวสติปัฏฐานไปจนถึงที่สุดก็ได้หรือจะอาศัยสมาธิเพียงขั้นต้ น, ตน เทาที่จำเป็นมาประกอบเจริญวิปัสสนาเป็นตัวนาตามแนวสติปฐานนี้ไปจนถึงที่สุดก็ได้วิปัสสนาเป็นหลักปฏิบัติสำคัญในพระพุทธศาสนาที่ได้ยินได้ฟังกันมากพร้อมกับที่มีความเข้าใจคว่้ย・เวยอยู่มากเช่นเดียวกันจึงเป็นเรื่องที่ควรทำความเข้าใจตามสมควรจากการศึกษาข้อคร่าวในเรื่องสติปฐานต่อไปนี้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 1.5. ทาธาตุมาสิการคือพิจารณาร่างกายของตนโดยให้เห็นแยกประเภทเป็นธาตุสีแต่ละอย่างแต่ละอย่าง 1.6. นวสีวัติกาคือมองเห็นศพที่อยู่ในสภาพต่างๆกันโดยระยะเวลาเก้าระยะตั้งแต่ตายใหม่ๆไปจนถึงกระดูกผุแล้วในแต่ละกรณีนั้นให้ย้อนมานึกถึงร่างกายของตน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 คือจิตของตนในขณะนั้นๆเป็นอย่างไรเช่นมีราคะไม่มีราคะมีโทสะไม่มีโทสะมีโมหะไม่มีโมหะฟุ้งซ่านเป็นสมาธิหลุดพ้นยังไม่หลุดพ้นเป็นต้นก็รู้ชัดตามที่มันเป็นอยู่ในขณะนั้นๆ 4. ธรรมานุปัสสนาการตามดูรู้ทันธรรมคือ 4.1 หนึ่ง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 เรริญเต็มบริบูรณ์ได้อย่างไร 4.5 อริยสัตว์คือรู้ชัดอริยสัตว์4แต่และอย่างแต่และอย่างตามความเป็นจริงว่าคืออะไรเป็นอย่างไรในตอนท้ายของทุกข้อที่กล่าวนี้มีข้อความอย่างเดียวกันว่าภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายภายในคือของตนเองอยู่บ้าง พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกคือของคนอื่นอยู่บ้างพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในภายนอกอยู also, ่บ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในกายอยู่บ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมสิ้นไปในกายอยู่บ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นและความเสื่อมสิ้นไปในกายอยู่บ้างก็แลเธอมีสติดํารงต่อหน้าว่ามีกายอยู่ เพียงแค่เพื่อความรู้เพียงแค่เพื่อความระลึกแลเธอเป็นอยู่อย่างไม่อิงอาศัยไม่ถือมั่นสิ่งใดๆในโลกคำว่ากายตามข้อความข้างต้นนี้เปลี่ยนเป็นเวทนาจิตและธรรมตามแต่กรณี